โลงอย่างนี้น้อมใจให้ว่างน้อมใจให้โลงยังไม่อยู่ตื่นเต้นเลยค่ะอย่าไปน้อมใจให้มันนิ่งๆว่างๆนะเราไม่ได้ฝึกเอาความว่างฟังหลวงพ่อให้ดีนะตัวนี้สำคัญที่สุดเลยเราฝึกเพื่อให้เห็นความเป็นจริงของกายของใจเราไม่ได้ฝึกให้จิตใจว่างๆไม่ได้ฝึกเอาดีไม่ได้ฝึกให้มีความสุขไม่ได้ฝึกเอาความสงบแต่เราฝึกให้เห็นความจริงของกายของใจดูกายทางานดูใจทางานดูบ่อยๆนะ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 นี่เพ่งเอาไว้แน่นอนทำผิดนะถ้าทำถูกกจะเห็นเลยเดี๋ยวไหลวับวับววเราจะรู้สึกไปเรื่อยนะของคุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะนิ่งหรอกไม่นิ่งหรอกน ะ, ะใจมันช่างคิดไปเรื่อยด้ค่ะช่างดินด้วยค่ะนะดูใจไปดูใจนะใจไม่เป็นกลางก็รู้ทันไปนะค่ะออาเบอร์ห้าเบอร์ห้ า, ข, า <5. S 2> ข้างหลังนะข้างหลังเสื้อแดงๆโอ้วันนี้ใกล้จะหมดละไปถึงท้ายห้องละ ธรรมะมันต้องเรียนอย่างนี้ไม่อยาเรียนแล้วโอ้ยเหมือนเกมโชว์วุ่นวนายนำมัสาการเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อ, อวันนี้หนูมาอาราธนาให้หลวงพ่อทุบหนูให้เละเลยค่ะยังประคองอยู่นะหนู่ดูออกเปล่า <c oughs> ไม่ออกค่ะหนูรู้สึกไม่หนูชอบคุย <c oughs> ใช่เวลาเล่าแล้วเอ็นจอยรู้สึกหมค่ะ <c oughs> ให้รู้ทัน <c oughs> แล้วหนูมีความฟุ้งซ่านเป็นปกติใช่เปล่าคะใช่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 มันก็เห็นอย่างที่หลวงพ่อเห็นนะครับแต่ช่วงนี้ันใจเล้วว่าเห็นอย่างที่หลวงพ่อเห็ น, นะอ ะ, อ, ะ, อ, ะอาเอาเอาเปา เ, เาอาาเอาเ อ, อาเอาเาเอาเอาเอาเาเอาอยเอาเอาเอาเอาเอาเอาอพเอาอาอาเอาเอาอาัอาเอาเอาเอาเอาเอาาเอาเอาเอาเอาาเามันก็าบบ เ, นนเอาเอเาเออาเอาเอเอาเออาเอาเออาเอเอาเออาเออาเอเอาเอออ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 แล้วยางงี้เมื่อไหร่จะดำเนินวิปัสนาได้อะคะเมื่อเห็นว่าจิตมันทำงานได้เองมันไม่ใช่ตัวเรานั่นแหละเรียกว่าวิปัสนาของคุณนะเดี๋ยวหลวงพ่อ a s s i n ให้ของคุณไปฟังซีดีของหลวงพ่ออีกนะไปฟังซีดีเบอร์ร้อยสหลักต้องแม่นก่อนนะถึงจะภาวนาถูกร้อยสเดี๋ยวนะเบอร์อื่นยังไม่ต้องยกนะร้อยสสอยู่ไหน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 ครับผมขอบคุณครับเมืยี่สิบสามเนี๋ยวหลวงพ่อยังไม่เรียกใหม่นะเรียกใหม่จดยากเนียให้หมดกระดานแล้วให้เรียกกันอีกทีกราบนมัสการคะอยู่ไหนอยู่ไหนนมัสการที่ไหนคือวันนี้พาพ่อกับแม่มาด้วยอหาะก็เลยอยากให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะลูกลหละลูกแหละลูกก็ปฏิบัติมาได้สักระยะหนึ่งแล้วจิตเป็นยังไงตอนนี้ตื่นเต้นค่ะแล้วไงอีก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 ให้รู้ตามความเป็นจริงดูไปจนเห็นอกุศลมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ไม่ใช่ฝึกไล่มันเบอร์สามสิบหกสามสิบหกแล้วนะเบอร์ร้อยสี่สิบเก้ายกไว้ร้อยสี่สิบเก้านะใหม่มาจากข้างหลังนมัตการหลวงพ่อค่ะขอส่งกันบ้านนะคะช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็คือรู้สึกว่า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 แต่จะขออย่างเดียวไม่ถึงหรอกจเจริญสติไปนะต้องทําในสิ่งที่หลวงพ่อทําแล้วมันถึงจะเป็นอย่างหลวงพ่อมีสตริรู้กายมีสตริรู้ใจไปเรื่อยๆนะคุณความดีอะไรที่ควรทํามีโอกาสทํทาก็ทำอกุศลใดเกิดขึ้นรู้ทันมันอย่าให้มันครอบงําใจแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นโดยไม่ต้องขอพรใครเลยอเชิญกลับบ้าน